แต่ลอกวันนี้มาหาธิฐานสูตรก็เข้าหมดสุดท้ายที่ได้ว่ า, าริยสักดิ์เป็นยากเลยนะการละกนานะยากไหมในการพิธีริยสักด์เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากต้องถือว่าเป็นมุขวิวัฒนาญาณตัวสุดท้ายทีย่พระพุทธเจ้าทรงเทศพน์สวดตัวดีชานอกพอดีโดยแทศเรื่องต่างๆก็ตามลงท้ายที่สุดที่เราลงด้วยอริยสัจ ในเมื่อเทอริยสัจจบุตรายกบว่ารพระอนุรักษณ์ผลไม่ตามตามกันกล่ความว่าวันนี้บรรดาต่พตุทธริษัทฟังจะมาถาน ท, ที่มีความสคาคัญที่สุดนั่นคือรรรอริยสัจสี่อริยสัจมีสี่วันนี้่พูดแทบหนึ่งอริยรสัจสี่คือหนึ่งทุกสองสงบทายสาิีโรทะหรือที่เรียกวันนิโรจะก็สีม่มรร สั้าสารอย่างจะอะไรบ้างไว้พูดในวันต่อไปตอนนี้จะว่ารเรื่ทุกก่อนแต่ว่าก่อนจะพูดถึงทุกการฟังอรเยสัตว์ถ้าใช้กําลังปัญญาเบาๆสามารถส่งได้จากต่อไปก็จะ เ, เ, เ, เปน็นโสดาบันถ้ากําลังใจละเอียดปีนิดหนึ่งก็เป็นจุลิธาคารมีถ้ากาลังใจละเอียดมากมีกำลังเข้มแข็งมากก็เป็นพระนาคาม แต่แข็งแข็งถึงที่สุดก็เป็นพทารานแต่ว่าวันนี้ก่อนที่เป็นพระอรเยเจ้าก็ย้ำต้นก่อนดีกว่านะนี้เกิดเป็นพรทาริยะใช้ก่อนเริอนต้นในตอนต้นการเจริญกรรมฐานก็บรรดาใจพุทธบริษัททุกคนเฉพาะเวลาที่เจริญกรรมฐานเรายามบ้างอะไรก็ได้ตามใจเแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทมีงานมาก มีภาร ก, ากิจมากดะงนั้นเวลาที่จะทำสมาธิให้ถึงความสำคัญที่นิบรณ์ห้าราการนิวรณ์ห้าราการในยามปกติเราจะไม่ฉันไม่สามารถชนะมันได้จิตย่องตงสุดภายใต้อันพ่ายของมันได้เหมือนกันแตะ ว, ว่ายามที่จะเดีนกรรมฐานเราต้องชนะอีที่ชนะนิโรณ์ก็ไม่ต้องมีอะไรมาก พเจ้ า, า, ามื่อใช้กําลังสมถาะาหรือปรินาบทไหนเราต้องตอบว่าในขั้นต้นยังไม่จําเป็นแต่คืนไปจําเป็นเข้าจอยู่เพราะว่า น, วนิวรรคภาพกายจฉเพาะสองข้อต้นต้องเป็นผ้านาคารมียึจัดได้ที่สามข้อหลังต้องเป็นพ้าอรหันยัดได้ในเมื่อเรายังไม่ถึงความเป็นผ้าพระเจ้าเบอร์โสง ในตอนนี้ก็ใช่แค่ระ ง, งับ ก, ก่อนเพราก็มีว่าคือไม่สนใจกับนิวรณเสือ่อมที่ทีไม่สนใจคือกำหนดรู้หลวงไม่ใจเท่าออกอนาพานุสตินี่ทิ้งกันไม่ได้แน่นอนนะจะเป็นอรหันต์เป็นพระอาาริเจ้าขนาดไหนก็ตามท่านไม่ทิงอนาพานุสติยิ่งพระอรหันต์เรื่องแล้วก็ยิงจับยิ่งใช่มากหนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงพระพุทธเจา้า แม่เจ้าโซไตกั็อ่านน์ว่านันทะดูก่อนอนนนนอาจจะต่ตตาโคตเองก็หนักในนาปาโนสติเหมือนกันแค่รู้ลมให้ใจเข้าออกการรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นการรงับกายสังขารระงับทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนามันมีทางกายมากอย่างป่วยไข้ไม่สบายนี่เราแจอารมณ์ใจจับลมให้ใจเข้าออกแบบเบาๆ ท่านสมาธิสมาธิเลเ็กๆทุกเวทนาจะบรรเทามากแต่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิทุกเวทนาจะไม่ปรากฏความทุกข์ต่างๆของร่างกายจะไม่ปรากฏจิตร่างจิตจะเป็นสุข <c oughs> รกระรองความว่าอันดับแรกก็บรนดาแต่พุทธริษัชตรู้จักหน้ามีวรก่อนมีวรห้ามในการที่จะฆ่าเราจากความดีเพือแจกสมาธิก็ตามให้ปัสนา ย, ายันเขาตามมีวรหนึ่งข้า ทวนห้ารายการก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมมดอร่อยสัมผัสระหว่างเพศตอนนี้ต้องรู้จักหน้าไปก่อนรายการที่สองความไม่พอใจรายการที่สามความโง่ในขณะปฏิบัติความดีรายการที่สีอารมณ์จิตฟุ้งซ่านมากเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ ควาว่าทั้งห้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีในใ จ, จิตใจก็ดาจากพุตุบริษัทเวลาจเจริญสมถะก็ตามวิปัสน า, านก็ตามผลอันดับแรกคือสมาธิจะไม่มีกับท่านถ้าสมาธิไม่มีหรือวปัสนาญาณก็มีไม่ได้เพราะว่าวิปัสนาญาณจะมีได้ก็มีสมาธิเป็นพื้นฐานาฐา น, นั้นเวลาที่พาวนาก็ดีพิจารณาก็ตาม <c oughs> ขอทุกท่านอย่ลืมนิวรณ์เสีย แต่ก็อย่าลืมนะทั้งทั้งที่เราลืมมันมันก็ไม่ลืมเราสักวันเดียวหนึ่งความพุ่งสั้นกับโ่ขึ้นถ้าเรารู้ตัวว่าจิตแยกออกนอกทานที่เราต้องการก็เริ่มต้นใหม่รู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่นี่ขั้นตน้นนี่ต่อไปก็ข อ, ขอแนะนำต่อไปว่านาปานุสติกรรมฐานใช้ตามนิมาสติฐานทศนะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกสมาติฐานสูตรถ้าไม่มีคำภาวนาแลลว่าญาติโยมจะใช้คำภาวนาด้วยก็ไม่ขัดข้องไม่ห้ามใช้ได้เลยขณะไดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามปกติอย่างนี้จันือว่าจิตเข้าถึงขณนธิสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย มันมีการเผลง่ายรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมออกรู้ลมเข้าประเด็นนั้นก็เผลอเผลอจิตไปคิดอย่างอื่นแล้วเมืม่อทราบเราไปคิดอย่างอื่นแล้วกลับมาจับใหม่เป็นของธรรมดาที่ต่อไปถ้ารมดีขึ้นจิตทรงตัวมากขึ้นส ต, ติทรงตัวมากขึ้นก็รู้ลมใจเข้าใจออกด้วยรู้ว่าลมใจเข้ายาวหรสั้นออกยาวหรือสั้นออ รู้อยู่อย่างนี้เป็นปกติจิตใจจะมีความเยือกเย็นมากขึ้นอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิคำว่ า, าอุปจารสมาธิหรือในหนึ่งเรียกอุปจารชานคือจิตเข้าใกล้ชานตัดชานที่หนึ่งแต่ยังไม่ถึงชานที่หนึ่งต่อไปถ้ารู้ลงให้ใจถ่าจะเอากระทบตั้งแต่จมูกลงไปเรื่อยจากนาอกถึงศูนย์เหนือสะดือรู้สึกตัว ลมออกจกสูเหนือก็ดีสกระทบด้วยมาจนทั้งหน้า อ, อกจนทั้งปล า, ายจ ม, มกูกถ้าอาการรู้อย่างนี้เด็กจิตปกติจิตเป็นสุขอย่างนี้เป็นปฐมฌานก็บอกกันว่าแค่นี้นะลมไม่ใจเข้าใจออกบรรดาแต่พุทธบริษัทอย่าลืมนี่บริการหนึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญก็คือมรรคเบื้องตน้นพ อ, อริยสัตว์นี่สอนถึงมรรคสูงสุดคืออรหันต ถ้าทําได้จบเกมจริงๆก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าจะลืมมรตเบื้องก่นคือพระโสดาปิมรตพระโสดาปิผลศิธาคามมรตศิทาขามีผลสองมรตสองผลนี่มีกําลังอ่อนแล้วก็ปฏิบัติง่ายจะพิ่งทิ้งเสียท่านได้ทั้สองราการในอย่างใดอย่างหนึ่งท่านจะพ้นจากอบายภูมิบาปเก่าๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผล จะมีอย่างเดียวทางเดินทางขึ้นพรนิพพานโดยเฉพาะมรรคสองมรรคผลสองผลก็ข้อผลบัติก็คือหนึ่งสกายะทิถิให้ละสกายะทิถิเบื้องต้นสกายะทิถิละสามชั้นโสนดาปฏิมรรคสิทาใครมรรคโสดาปฏิผลสิทธาคามีผลตัดอย่างหนึ่งอธาอนาอนาคามีผลตัดอย่างหนึ่งอนาตผลตัดอย่างหนึ่งตัดไม่เท่ากัน ก็ต้องใช่อารมณ์ต่ำของวสดาบันและสิกิทาคามีความจริงตามหสักสื่อแต่จะบอกว่าส ก, กายะทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์รผราญสำหรับวสดาบันสิกิทาคามีจะมีความรู้สึกแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันต้องตาย ที่ไล่เตี้ยจางสับท่านรายละเอียดแบบว่าอ น, นิจจังร่างกายเป็นของไม่เที่ยงทุกขังร่างกายจะไมมีความทุกข์อนัตตาในสุดร่างกายก็ตายเพื่อเอาง่ายๆว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ตามร่างกายใส่ก็ตามใ น, นที่สุดก็ตายหมดเหมือนกันเราก็ต้องตายก่อนจะตายเราต้องส่งความดีมาให้ได้ความดีอันดับแรกที่เราจะส่งก็คือหนึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ฟังในญากเขินนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาทำพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพพุทธานุตติก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุตติก็คือนึกถึงพระธรรมสังขารนุติก็นึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงด้วยความเคารพจริงจังแล้วต่อไปก็ศีลปตาปรามาสทรงสิน 5, ห้าได้กหด10ิให้บริสุทธิ์ถ้าทรงสินห้าบริบริสุทธิ ก็เป็นมโสดาบัขนขั้นหยาบที่รีว่าสตาขัดตรงยังต้องเกิดอีกเจ็ชาติถ้าได้กำหมดสิบขั้นยาบก็จะเข้าถึงโสดาขั้นกลางคือโกลังโกละจะต้องเกิดอีกแสนชาติถ้าได้กำหมดสิบละเอียดมากโดยไม่ต้องระวังก็เป็นสโสดาบัขน A. ขั้นเอกิกีและสิกิทาคามีเอกิกิและสิกิทาคามีนี่คล้ายคึงกัน เอกวิีคือว่าโซดาที่มีรมณ์ที่เรียกว่าโซดาบละเอียดในอรมณ์ละเอียดมากความรู้สึกความรักระหว่างเพศก็ดีความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดียังมีอยู่แต่มีกําลังเบามากเกือบจะไม่ค่อยมีความรู้สึกตอ น, นี้ในสังโยชน์สามเดียรกายข้างต้นข อ, ขอขวัรดายาโยมวัตถุสัตว์ทุกคนอย่าลืมละ พ อ, อย้ำอีกครั้งหนึ่งให้มีความรู้สึกขั้นต้นมันหนึ่งเราจะต้องตายสองก่อนจะตายล้วตัดทางพระบายคูไม่ยอมเกิดเป็นในอบาญคูต่อไปคือจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพึ่งแน่นอนถ้าไปการนี้มีวิธีฉานไต่ความสงสัยแล้วก็ต่อไปศิรปตักปราปรมาจจะทรงสินห้าและกหนดสิทธิให้ครอบ้วน สำหรับขินห้าบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทเข้าใจดีแล้วกรรมบทสิบบางท่านอาจจะสงสัยว่ามีอะไรบ้างก็ขอบอกไว้กรรมบทสิบก็คือทางกายมีสามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุทธิในการมไม่ทางกายทางวาจามีสี่คือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดรือไม่หนิงทางเขา ห้าไม่พูดวาจาเพื่อเจือเรีวไหลไร้ประโยชน์เออสี่ไม่พูดวาจาเพื่อเจือเรีวไหลไร้ประโยชน์ทางจิตใจมีสามคือหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำสองไม่จองล้างจองผานไข่ความโกรธยังมีอยู่โกรธแล้วก็หายเร็วแล้วก็สามยอมรับรับถือคําสอนพระเจ้าโดยปัญญา คือไม่ฝืนคำสอนใช้ปัญญาพิจารณาก่อนรวมนับสิบข้อดีวกันถ้าทรงกำหนดสิบได้ทั้งสิบข้อครบถ้วนก็ทัางมีความชินไม่ต้องระวังมันก็ไม่ละเมิดแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจไม่ลืมว่าเราจะต้องตายในสุดอย่างนี้ท่านเรียก ว, ว่าโสดาบันสีท่าคามี ทั้งหมดนี้คุณวันดาญาโยมบริษัทส่สสสงไว้ให้ได้ก่อนนะที่ต่อไปก็จะพูดถึงอริยสัจวันนี้พูดกันแค่แค่ทุกขสัจข้อเดียวแต่ความจริงทุกสัจี่มีความต้องการได้วทุกคนเข้าใจในทุกสัจถ้าเข้าใจในข้อทุกตัวดีนี่เป็นพระ อ, อริยเจ้าขัานพระอรหันต์หรือก็ไม่จําเป็นต้องว่าทั้งสี่ข้อ แต่ว่าเวลาแนะนําต้องแนะนำเราทั้งสี่ข้อนี่สองวันก็จบคําว่าทุกแปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากความไม่ส บ, บายกายไม่ส บ, บายใจเรียกว่าทุกนี่อะไรบ้างทุกไปเปิดตูตําราเขาบอกว่าความเกย์ก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความป่วยไข้ไม่ส บ, บายก็เป็นทุกความพัาดพลาดจาของรักของชอบใจก็เป็นทุก ความเศร้าโศกเสียใจกระป็ทุกข์ความแห้งแห้งใจก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เประทุก์ก็รวมความว่าท่านพันนาไว้ทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เมื่อเราก็มาจาับจุดเล็กๆถ้าได้จุดใดจุดหนึ่งจะเห็นทุกตลอดมันนึกถึงจุดธรรมดาคําว่าทุกขเวทมนตร์ได้ยากการเกิดของคนเป็นสุขเป็นทุกข์ต้องคิดตามนี้ ในความทุกข์ตอนที่อยู่ในคันมันดาเราอาจจะไม่ได้คิดแล้วคิดไม่ได้ใครคิดได้ลรือนักดที่อยู่ในคันมันดาก็ไม่มีใครคิดตระมาก็ไม่เคยคิดก็ะคิดจนคิดไม่ออกแต่ว่าเมื่อคลอดจากคันมันดาแล้วถ้าเรามองเห็นควาต่างความป็นจริงพอคลอดมาแล้วเราก็พบกับความทุกข์เมื่อคลอดจากคันมานดาใหม่ๆอยู่ในคันมันดามีความอบอุ่น คลอดมาแล้วปั๊บกระทบอากาศแสบตัวทั้งตัวเด็กร้องจ่าหมอทำแย่สมัยโบราณเพราะเด็กคนไหนร้องดังก็นั่งแข็งแรงมากคือความที่เด็กร้องนั้นไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์ตอนนี้เราก็ไม่รู้อีกต่อมาก็มาดูทุกข์เด็กออกวายใหม่ช่วยตัวเองไม่ได้หิวเกิดขึ้นก็บอกเขาไม่ได้การปวยจาระเกิดขึ้นก็บอกเขไม่ได้ป่วยไข้ไม่สบายก็บอกไม่ได้ ต้องแสดงการอย่างดีคือร้องไห้แต่คนเรากว่าจะร้องไห้ต้องทุกข์หนักมากนี่เป็นความทุกข์ครั้งแรกที่เรามองก็นมาเคยเห็นเพราะเราผ่านมาต่อมาเป็นเด็กโตหน่อยก็ความทุกข์ก็เกิดพอเข้าโรงเรียนได้ก็ต้องไปโรงเรียนการไปโรงเรียนมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขต้องตื่นแต่เช้าต้องไปเรียนหนังสือฝืนก็นอารมณ์ธรรมดา ต่อมาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องประกอบกิจการงานประกอบกิจการงานทุกอย่างมันก็เป็นทุกข์วงความว่าถ้าเรามองเห็นทุกข์เห็นว่าคนทุกคนวันทั้งวันไม่มีอะไรเป็นสุขจริงการประกอบกิจการงานทุกอย่างมีความเหนื่อยยากวัจจาบอกแล้วว่าสิ่งใดที่ต้องทนแล้วทนได้ยากไม่ใช่ความทุกข์การประกอบกิจงานก็ต้องทรมายงกายกรมันใจ บางครั้งก็ป่วยไข้ไม่สบายบ้างปวดป่วยปวดเมื่อยบ้างแต่งานไม่เสร็จเลยไม่ได้จะต้องต่อสู้กับงก็ยังไม่พอยังต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่ร่วมงานกันอีกบางทีเราทําถูกแล้วเพื่อนบอกหาว่าทาไม่ถูกบ้างบางคราวก็ทกข์กบทกับความอิีตอิจฉาอิจฉาของเพื่อนบ้างอารมก็เป็นทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นทุกข์ประจําวันความหิวความเกระหายเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์ ความป่วยแข่เพลาียเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ที่ตอนศึกษาเริยสัจท่านบอกว่าให้ดูคนทุกคนว่าคนที่นั่งอยู่ทุกคนก็เป็นทุกข์เพราะอะไรนั่งนานๆมันเมื่อยตัวเมื่อยมันตัวทุกข์เห็นไหมถ้าใครไม่ทุกข์ก็าตามใจกเลยตอนนี้คนทุกได้จางจันนะความเมื่อยมันทุกข์แต่เราทำไมจะเมื่อยระหวังความดีเอาชนะความชั่วคือทุกข์ ถ้าต้องใจศึกษาธรรมะเพื่อนิพพานนั้นต้องการความดีขณะอันเรามีความหวังแต่ขณะที่นั่งอยู่มันก็เมนทุกข์ท่านสอนตอนนั้นท่านบอกให้ดูคนเดินไปเดินมาคนเดินไปเดินมาทุกคนมีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์เขาไม่ไปการไปทุระนะีม่นมันหมายถึงทุกข์ถ้าทุระไม่เสร็จสิ้นเพียงใดจิตใจไม่มีความสุขเคขาก็มีความทุกข์ อาด่าที่เดินไปเพื่อทําธุระก็เป็นทุกข์ทำธุระให้เสร็จตอนนั่งขึ้นมาก็เป็นทุกข์อีกรวงความว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกก็ตามสัตว์ทุกตนที่เกิดในโลกก็ตามไม่มีใครมีสุขมีแต่ความทุกข์นี่ว่ากระเพิ่นไงานในตอนที่ท่านสอนจริงท่านสอนเรื่องอาหารเนี่ยข้าวก็จะกินเข้าป่าท่านสอนต้องเดือนกลางเดืนสี่ทุ่มตั้งตีสองเนี่ย แค่หายคําเดียวไม่เท่าไรผู้ญาติโยมฟังก็หลับไปหมดสี่ทุ่มที่สองกี่ชั่วโมงท่านพูดช้าๆท่านบอกว่าจงคิดตามฉันพูดท่านก็ถามว่าหายคําหนึ่งมาจากอะไรก่อนที่ข้าวสุกจะมาข้าวข้าสารไม่เป็นเข้าวสุก ข, ข้าวแซงข้าวสารเป็นอะไรมาก่อนต้องเป็นเข้าเลือกข้าเปลือกมาจากไหนทั้งไร่เบี้ยไปทํานาทําไร หล่เดือดทำแทงทำทำพื้นนาทําที่ป่ายเป็นนาไม่ก็ทุกหมดตัวความว่าฟั ง, งอะไรย่อว่ากายเกิดเป็นทุกข์เมื่อความแก่เข้ามาถึงความไม่ไม่สะดวกกายไม่สะดวกใจไม่คล่องตัวเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์ความป่วยไขย้ไม่สบายก็เป็นทุกข์ความตาทะน้าไม่ค่อยสมหวังก็เป็นทุกข์ ความพักผ้าจากของรักของชอบใจคนรักคงชอบใจก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักมันก็เป็นทุกข์ความตายยิ่งเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ก็ต้องพบคนว่าถ้าเรายังต้องเกิดอย่างนี้อยู่อีกกี่ชาติก็ตามเราก็เป็นคนไม่คนทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาทางคนทุกข์ทางคนทุกข์ก็มีสามคือทานฉิงภาวนา อันนี้มีเวลาเหลือประมาณสิบนาทีเสร็จเส็จจะคุยเรื่องทุกแม่ท้องตอนนี้ติแม่อาจารย์นาคณาอาจารย์จำได้ไหมเคยคุยกันแล้วอะ่ะมีท้องแม่เฮ้ยไม่เคยเลยฉันจําได้ใจเคยคุยฟังเลยทีอว่ามาจะมาบวช ด, ด้วยสองมัณฑ์สาเนอร์ น, น, นิทานทั้งหมดเรื่องจริงๆนะที่ว่าเป็นนิทานทป็คนเล่าตายไปนานแล้ว คนที่ล่าใหฟังบัญชียุยมัน60เศษอยู่จังหวัดอุบลท่านบอกว่าตอนก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนท่านเป็นลูกช้างคือเป็นช้างลูกของช้างเจ้าของอยู่ตำบลหนึ่งในจังหวัดอุบลในระหว่างที่เป็นลูกคนแม่เป็นช้างลูกเป็นช้างเนี่ยแม่เคยนำไปอาบน้ําที่บึงบึงหนึ่งน้ํามันเย็นมากมีความสุข ต่อมาลูกชายเขาจะของบ้านเขาขี่คอท่านนําไปอาบน้ํากลับไ้ทางที่ผ่านมันมีกิ่งไม้อี่ไม้มันต่ําท่านก็บอกว่ท่านก็ยอ่อถึงที่สุดเข้าใจคนแล้วก็เงยขึ้นมาพอดีลูกชายก็กดุดกิ่งไม้เข้าหล่นจะคอแเขวก็โกรธเขาขึ้นคอได้เขาขอสับจะบอกว่าที่มันสับขอแล้วเจ็บมากไม่ใช่ไม่เจ็บนะจำไม่ดีนะนี่ผีช่างเก่าเล่ยฟัง ไม่ใช่คือช่างตายมาตีคนเลทผีช่างเกา่าบอกเวลาเขาสับดีขอมันเจ็บมากเขาก็สับเอาสับเมา เ, เขาก็วิ่งกลับบ้านคนที้สุดในแม่ช้างเขาก็บอกให้พ่อเขาขายเขาช่างนี่คบไม่ได้เทอร์ดิยศพ่อกับแม่ก็ไม่ควรจะขายเพาแม่มันอยู่นี่มันก็ดีอยู่ลูกเขาก็ไม่ยอมนั่นที่สุดพ่อกับแม่ต้องขายจำใจเพราะลู ก, ลกชายต้องการให้ขาย เมื่อขายแล้วมันอยู่เจ้าของใหม่แกก็เลยบอกว่าคิดถึงเจ้าของเก่ารสชาติในชาติคนนี้ยคิดถึงเจ้าของเก่าก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ผอมลงผอมลงไม่ช้าก็ตายพอตายแล้วไอ้ร่างกายที่มอกจากร่างช้างละมันเป็นคนเมืองผีไม่มีสัตว์นอกจากนารกนะมีสัตว์พิเศษ จะพออกมาเป็นคนต้องไม่ทราบว่าเสื้อผ้ามันมนได้ยังไงมันมีเสื้อมีผ้าหน่ง ม, มีเสื้อใสเมื่อออกมาแล้วพออ่อสายจิตเดิมคิดถึงเจ้าของเดิมก็ตั้งใจจะไปหาเจ้าของเดิมเดินลัดป่าตั้งลัดทุ่งไปบ้างถึงเวลาตอนฟินมันนั้นก็ปลากรักลากเข้าไปในวัดไอ้หมาวัดมันไล่กัดแต่บอกว่าหลบหมาไี่กั็ตายในหมาเก่งเราในเห็นผีนะในเขาไปถีแล้วนะก็เลิกเป็นช่างเป็นคนแล้ว พอมาถึงหมู่บ้านเดิมที่เจ้าของบ้านเป็นเจ้าของเจ้าของเดิมอยู่รายขอบ้านนั้นร้างไปแล้วไม่มีบ้านรือถอนไปก็ถามพุมธิวดาที่นั่นแต่บอกเจ้าจของบ้านนี้เขารื้อไปอยู่ที่โน่นไปต่างระบนกันแล้วก็ตามไปจนกว่าจะพบเมื่อพบแล้วเข้าบ้านไม่ได้พอจะเข้าเขตบ้านพุทธิวดาห้ามเข้าเพราะเองเป็นผีภายนอกเข้ามาไม่ได้จะทตรายเจ้าของบ้าน ก็ต้องยืนคอยประกอกสามวันพราะวันที่สามตอนเย็นพ่อบ้านไม่ทราบว่าไปไหนมามาถึงประกอกบ้านก็เปิดประอย่างอาจารย์เปิดก็ประปาฉี่ปัจจวะที่หน้าประกอกแค่ได้โอกาสเหลอโดนลาะคอพดีเกอกคอเข้ามาแล้วกาะคอเข้ามาเนี่ยเมื่อ เจ้าของบ้านก็คอยเจ้าของบ้านมาเทวดาเจ้าของที่ก็ว่าไม่ได้เขาถือว่าเจ้าของบ้านให้เข้ามาเทวดาเจ้าของที่ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปตอนเข้าไปถึงบ้านเจบอกว่าไปอยู่ห้องห้องหนึ่งมันกว้างขวางมากนั่งสบายนอนสบายแต่ความจริงห้องที่ว่าอยู่นั้นมดลูกของแม่เขามารู้ทีหลังเวลาท่านไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเป็นท้องแม่เข้าใจว่าเป็นห้อง ผมไม่มีอาการอาการกว้างฝังมากนานนะักข้าวนะักข้ารู้สึกว่าไอ้ตัวมันโตบางทีละหน่อยหน่อยแกก็ไม่โทษตัวโตวไปโทษห้องมันเล็กลงใช่ไหมมันก็ช้บคับห้องมาทุกทีทุกทีน้นยที่สุดคับเหยียดแข็งเหยียดขาไม่ไหวต้องงอแข็งอขาเห็นไหมเด็กอยู่ท้องมันต้องงอใช่ไหมนานนเข้ามันทนปวดทนเมื่อยไม่ไหวเนี่ยมันเปนทุกข์ไหนเราไม่ดูใจไม่ใหญ่ก็ต้องหาทางออก ออกววามาฟังก็เป็นลูกชาวบ้านก็ถามว่ายมชีเมื่อทราบอย่างนี้อยากจะเกิดที่ไหมก็บอกไม่ต้องการเกิดแล้วค่ะเลยเกิดใช่ดนั้นรวมความว่าการเกิดในคันยานคันมารดามันก็เป็นความทุกแบบที่มันทุกมเมื่อแต่ก่อนเราคลอดที่พระเจ้าบอกว่าความเกิดเป็นทุกมันทุกต้องอยู่ในครันมารดานต่เราก็จําไม่ได้รวมความว่าถ้าวางฟังเริยองสัตว์ตอนต้น ก็ต้องมีความเข้าใจว่าการเกิดทุกชาติมันเป็นทุกข์ <c oughs> ไม่มีชาติไหนที่เราจะไม่มีทุกข์เกิดเป็นคนก็ทุกแบบนี้มันต้องเด็กมาถึงความเป็นผู้ใหญ่จากความเป็นผู้ใหญ่ถึงความเป็นคนแก่ก็มีแต่ความทุกข์การประกอบอาชีพจะเป็นสามาชีวะเรื่องตา่างเถอะหาเลียงชีวิตไปชอบทำก็าตามมันก็เป็นความทุกข์มีความเหลื่อยอยาก แการประกอบอาชีพอย่างนี้ไม่ถึงที่สุดคือไม่จบถ้ายังไม่ตายก็ต้องหากันเรื่อยไปบางคนลุกไม่ไหวก็อาใจหาใช่ไหมาอาจารย์เอาใจหาปากหาสั่งนโน้นสั่งคนนี้อย่างฉันเนี่ยแกแล้วทําไมไหวเนี่ยพระพมีหน่อยนะเนี่ยแกที่วัดท่งเลยไหมพระวัดท่าสงไม่มีพระองไหนว่ามีงานประจําท <c oughs> ี่คนแก่ทําไม่ไหวเนี่ปากสั่งงานเลยไอ้ก่อนที่ปากจะสั่งงานใจมันก็คิดก่อนมันก็เป็นทุกข์ ก็รวมความว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องความเกิดเคยไม่เข้าใจเรื่องความทุกข์เราก็ต้องเวียนไหวใจเกิดในวัฏฏะถ้ามีความเข้าใจจริงๆคิดต่ามควาค่อยๆ ค, คิดนะคิดต่างความเป็นจริงมองดูความจริงว่าการตื่นมาเช้าเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กานนอนหลับสบายตื่นขึ้นมามีความสดชื่นต่สักวันเดียวเดียวความทุกข์ก็เกิดบ <c oughs> ังทีพอตื่นก็ทุกข์ตามมาแล้วเข้าส่วมอาจารย์เคยเข้าไหม ไอ้ชันน่นลืมตามไม่ได้รู้สึกตัวมาทันลืมตาจะเข้าโซนแล้วไอ้นี่ตัวปุจาระปัสะวะมันเป็นนิพพัตทุกทุกเหนื่องนิททุกประจําวันหลังจากนั้นแล้วล้างหน้าไม่ล้างหน้าก็ลองคานตัวลองคานจะมาเป็นทุกต่อไปก็ต้องการอาหารการหิวอาหารมันก็เป็นทุกเราก็ไปนึกถึงอาหารที่จะได้มาได้มาจากอะไรได้มาจากความทุกข์ เราต้องเหนื่อยยากไว้สบายกว่า้ได้เงินมาแลกอาหารต้องเหนื่อยหนักเพราะโลงความอาหารที่เรากินทุกคําก็เป็นหารมาจากมาจากความทุกข์้นเมื่อเรากินอาหารจากความทุกข์ก็แปลว่ากินทุกข์เข้าไปร่างกายก็เต็มไปด้ความทุกข์มีการป่วยขึ้นสบายและมีความตายในสุดเอาเรืองย่อบแบบนี้นะรวมความขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนบรรพุ่งนี้ท่านรู้เหตุ ข, ของความทุกข์ วันนี้ว่าจะถึงทุกก่อนพรุ่งนี้ว่าจึงเห็นแ ว, ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรจะต้องพูดกึงวันพรุ่งนี้นะในเมื่อเราเห็นทุกอย่างนี้ <c oughs> ก็คิดตามความเป็นจริงว่าการเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มด้วยความทุกข์อย่างนี้เราเกิดในฐานะอะไรก็ตามต้องทุกข์เมือนกันความแก่ความป่วยความตายมีไม่การทุกฐานะคือเรื่องไม่ได้ <c oughs> แต่เกิดใหม่ก็ทุกแบบนี้อีกเราก็ไปต้องการความเกิดต่อไป เราต้องการหลีเกเลี่ยงเกความทุกข์วิธีหลีกเลี่ยงเนิดความทุกข์มีอะไรบ้างอย่างย่อบแบบธรรมดาเบาๆขึ้นหนึ่งทางการให้ <c oughs> ทางการให้ที่พระเจ้าสั่งว่าทานนางสกสโสทานนางอันดับแรกทานเป็นบันไดเกิดบนสวรรค์ขั้นแรกก่อนอันดับแรกเราจับเทวดาไว้ก่อนจับสวรรค์ไว้ก่อนอย่างน้อยสุดสวรรค์ก็มีความสุขกับคนเมื่องตายเจ้าจะมีผ่านได้ ต่อมาก็ตั้งใจรักษาศีลศีล น, น, นี้จะรักษา ย, ยได้เพราะใสยเมตตาความรักกรุณาความสงสารธรรมะสองตัวต้องประจําใจถ้าขาดธรรมะสองตัวนี่ศีลจะทรงตัวไม่ได้เมื่อทรงศีลไปสุดขุดของถ้ามีความรบในประใต้พนาคมอย่างนี้ท่าเรียกว่ามัสโซดาบันคนเราเราจะเป็นมัสโซดาบันหรือไม่เป็นอยากถึงกําเึ่ง ย่าคิดว่าเวลานี้เราเป็นประโสดากีธากานาคาอันนี้ไม่โทษถ้าคิดอย่างนี้จิตจะตกอยู่ในความประมาทดีไม่ดีเรายังไม่ทันจะถึงเพียงแค่ได้ฌานโลกีฌานโลกีนี่มันก็ระ ง, งับความรักใระหว่างเพศระ ง, งับความโลภระ ง, งับความโกรธระ ง, งับความหลงถ้ากําลังฌานทรงตัวอยู่มันระงับเป็นเหตุให้บางคนเผลอว่าตนเองเป็นพระราหันไม้ น, นสมัยพระเจ้าก็มี พระบางองค์ได้ฌานโลกีเข้าใจพระอรหันต่อมาไม่ฌานาเสื่อมตัวลงความรู้สึกประเภทนั้นก็เกิดใหม่ตกใจคิดว่าตัวปญญากรมัผิดตนผิดยังไปพ่อพระเจา้จาพระเจ้าบอกการเข้าใจผิดปิญญากรตนแบบนั้นไม่เป็นโทษก็รวมวามว่าเราก็มาตัดสินใจว่าการเกิดมันเป็นทุกข์อย่างนี้จับนิพพานจับสวรรค์ก่อนด้วยการให้ทานแต่การให้ทานต้องเลือกให้เหมาะนะ คือหมายนั่นหมายความว่าอย่าให้หนักเกินไปถ้านักเกินไปจะมีทุกค่อยๆให้แต่กําลังถ้ายังไม่มีจะให้ก็คิดว่าจะให้เป็นจารคันกิจกรรมฐานต่อไปก็พยายามทรงสิ่งนบริสุทธิ์ด้วยการบทสิบริสุทธิ์ดีมากหลังจากนั้นก็นึกถึงผลิพันธ์เป็นอารมณ์คิดว่าถ้าเราตายเมื่อไรเขาผลิพันธ์เมื่อนั้นแท่นี้บรรดาญาโยมทุกบริษัทท่านจะชนะทุกอย่างตามที่ท่านต้องการ ตอนนี้ไปรุ่นาญาติโยมบริษัทบริษัทต่างหลายสร้างใจสม า, าทนม า, านสิ่งสมาทานสกรรมฐาน